คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทาง้า น, นร่างกายอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวมันเองขึ้นจากไวรัสตับอักเสบซีธรรมดามันก็จะเกิดอาการเรื้อรังเรื้อรังคือเป็นเนิร์นนานมากรักษาก็ยังไม่ก็ยังไม่หายและยิ่งร่างกายอ่อนแอด้วยเนี่ย มันจะมีการพัฒนาขึ้นเพิ่มการรุนแรงของโรคเป็นตับแข็งสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับอาจจะเป็นระยะสุดท้ายเลยก็ได้ก็จึงเรียกว่าโรคไวรัสตับบกเสฟซีนี่มันเป็นภัยเงียบมันไม่ค่อยมีอาการอะไรแสดงออกมาแต่พอแสดงอาการแล้วก็จะอยู่ในขั้นสุดท้ายเลยที่เป็นมะเร็งระดับสุดท้ายสุมา ก, กจะรักษาไม่ได้ ในโลกคนที่เป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอาการอาการที่แทรกซ้อนคือมาจากโรคนี้อันดับแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการปวดปวดท้องปวดตับเนี่ยแหละมันจะมีทุกคนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งตับจะปวดท้องแล้วก็ท้องนี่จะบวมนะคือมีน้ำที่มันอยู่ในช่องท้องเยอะทำให้ท้องนี่บวมบางครั้งก็ต้องไปเจาะน้า ออกจากท้องมันดีเจาะทุกอาทิตย์เลยนะและอาการต่อมาที่มันเป็นควบคู่กันไปจากปวดท้องหรือท้องบวมที่เกิดจากน้านั้นก็จะมีอาการอ่อนเพลียนคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนจะไม่ค่อยมีแรงทำงานหรือทำหน้าที่อะไรหลังจากนั้นก็จะมีโรคอาการเบื่ออาหารเบื่ออาหาร ไม่อยากทานอาหารมันจึงต้องมีอาหารเสริมมียาบํารุงอะไรมากมายสำหรับคนที่เป็นโรคตับอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออาการนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับนี่มันเริ่มจากกลางกลางคืนเนี่ยกลางคืนจะนอนไม่หลับแต่กลางวันอาจจะหลับคือจะเปลี่ยนโปรแกรมจากกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันไปเลยเนี่ยอันนี้มันมีแค่อาการที่เห็นได้ชัดเจนแต่ทีจริงมันมีมากกว่านี้แต่เอาอาการที่มัน เหน็นง่ายๆแค่นี้ก่อนไอ้โรคนอนไม่หลับเนี่ยผมเองก็เป็นนะเ่ยผมก็ปกติบางคนที่นอนหลับง่ายพอถึงเวลา2องทุ่มเนี่ยพอตั้งเตอรหลับบ้ามันก็ปิดสวิตช์มันก็ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการกล่อมจิตให้หลับหรือทํากรรมฐานอะไรพอคิดว่าเราจะหลับมันก็หลับไปเลยซึ่งเป็นคนที่หลับง่ายมากแต่พอเราต้องมาเป็นโรคมะเร็งตับเลยงสุดท้ายเนี่ย ผมจะนอนไม่ค่อยหลับล่ะมันจะเข้าอาการที่หมอเขาบอกไว้จะนอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่หลับเฉพาะไม่ค่อยหลับเฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็ไม่หลับบางทีใช้หลับจังหวะแค่สี่ห้าชั่วโมงจะหลับสั้นๆหลับชั่วโมงนึ่งก็ตื่นละร่างกายจินอ่อนเปลี่ยนมันคนนอนไม่อิ่มแต่ที่จริงแล้วอาการนี้ผมเป็นเนี่ยแม้จะนอนไม่ค่อยหลับผมก็รู้สึกรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพลียนะ คิดว่าการนอนแค่ 3- 4ี่ชั่วโมงนี้แม้จะหลับระยะเวลาสั้นๆแต่มันก็หลับลึกแล้วก็อาการเหนื่อยเพียก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับนี่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแม้จะไม่หลับเราก็ไม่เป็นทุกข์กับอาการเหล่านี้เราก็สามารถที่ยอมรับได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอาการนอนไม่หลับเมื่อมีโครคไปแค่เจ็บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคน จริงๆว่าเราไม่ได้ใช้จิตใจคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเราก็หยุดทางด้านจิตใจได้แต่ว่าทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็มีทุกเวทนาหลุมเล้าทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับหรือท่าทางการนอนต่างๆเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับจะนอนให้หลับสบายแม้ว่าจิตใจมันไม่ได้คิดอะไรแต่สังเกต ด, ดูจิตใจแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรนะกับการนอนไม่หลับก็ไม่เป็นทุกข์เรายอมรับได้ถือเป็นเรื่องธรรมดา บางครั้งเราก็ปล่อยใจให้สบายๆใจเลยทำใจให้สบายๆไม่ได้คิดอะไรมันก็หลับไปเลยก็มีนะหลับไปอย่างสบายๆแต่ยังไงซี่มันก็หลับได้ไม่ยาวหลับได้สั้นๆชั่วโมงหนึ่งตื่นสองชั่วโมงตื่นไม่เกินสามชั่วโมงจะต้องมีอาการตื่นมาซึ่งหลับจะใช้เวลาไม่นานแต่มันเป็นการเป็นการหลับที่หลับลึก แต่เราสําคัญคือเราดูใจแล้วแล้วมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์กับอาการเราไม่หลับเรายอมรับได้และเราเข้าใจคือคนเราจะเข้าใจอะไรเนี่ยมันต้องรู้จักยอมรับแล้วก็สังเกตดูว่าอันนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่แปลกหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ดูแล้วมันก็เรื่องธรรมดาเมื่อไม่หลับก็ไม่หลับมันจะหลับก็ไม่เป็นไรไม่หลับก็ไม่เป็นไร ถ้าเราวางใจ้เป็นกลางๆอย่างเงี้ยเราไม่ทุกข์อาการนอนไม่หลับแล้วทุกอย่างก็ตามถ้าเรามีไม่มีความคาดหวังหรือปฏิเสธด้านไหนด้านหนึ่งเนี่ยใจมันจะเกิดการยอมรับแล้วมันเจอเกิดการเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้นั้นต้องจากยอมรับก่อนดียวมรับว่าการนอนไม่หลับนี่มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็นอนไม่หลับทั้งนั้นแหละอ่มันเป็นเรื่องธรม ร, ร, มง ร, งธรมดาเรามองเป็นเรื่องธรรมดาซะย มันก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอย่ามองเป็นปัญหาเสียทั้งหมดอย่ามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขฝ่ฟาฟาันหรือทําลายไปที่จริงมันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่ปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่างหากอุปสรรคหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่เคยสัมผัส ม, มาก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันคือชีวิตมันคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะอยู่กับสภาพอย่างนั้นน่ะ ด้ใจที่ผ่อนคลายแล้วไม่เป็นทุกข์อันนี้สำคัญมากถ้าเรามองเป็นปัญหาเราก็จะแก้ไขแต่ปัญหานะหาทางแก้ไขปัญหานะถ้าเรามอง เ, เรื่องธรรมดาเราจะไม่ต้องไปแก้ไขเลยเลยคือการยอมรับพยายามรับใจมันก็ผ่อนคลายทีนี้ยังไงมันก็หลับสบายเลยแต่ผมเคยใช้การนอนไม่หลับในสมัยทํากรรมฐานใหม่ๆแล้สมัยที่ฝึกตอนที่ร่างกายพิการใหม่ๆแล้วก็สายการนอนไม่หลับจากความคิดเยอะคิดมากเนี่ย โดยการฝึกทำกรรมฐานนะเอาละมันไม่หลับก็ไม่หลับกันเราจ ะ, จะเจริญสตินอนพลิกมือให้มันยันสว่างไปเลยพอเราทำใจ ย, ยอมรับแบบนี้ได้แล้วก็บุงหน้าที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ต่อต้านกับไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันก็จะหลับไปเองแล้วยิ่งมาตรายังหลังนี่ความคิดไม่มีไม่เคยมีความคิดอะไรมีแต่เรื่องทุกเขเวทนาที่มันเกิดขึ้น ความปวดท้องนะการท้องอื่นหายใจไม่ค่อยดีนะบางทีก็มีอาการอ่อนเพลียบ้างทั้นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เนื่องคือเรื่องร่างกายแต่เรื่องความคิดไม่มีไม่มีความคิดอะไรที่จะบันแซะทาให้เรามองเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคไปได้แต่ที่สําคัญคือเราได้ความรู้จากการนอนไม่หลับของเราได้ความรู้ อาจจะเป็นความรู้ที่เกิดจากจินตามิใช่ปัญญาคือการนึกคิดนะแต่การนึกคิดเนี่ยมันนำไปสู่การภานาให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเวลาแยกที่ทำเมื่อนอนไม่หลับหรือเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เรามองเป็นปัญหาให้เรารู้จักสังเกตดูดีๆเถอะรู้จักยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติมันคือธรรมชาติของทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนั้น พอมองเห็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติว่าทุกอย่างนี่มันมันมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้หรอกได้แต่อยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่ไม่ทุกข์อันนี้ถือว่ามั น, เ ป, นเป็นสติปัญญามากกว่านะเราจะเกิดสติปัญญาจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันคือปัญหาเดี๋ยวเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเรานะ อย่าเอาการนอนไม่หลับของเราหรือปัญหาของเราเนี่ยมาบีบคั้นจิตใจเราให้เป็นทุกข์แต่เรามองไปในแง่ของว่าพัฒนาจิตใจเราให้เกิดปัญญาก็ได้อ่ า, อาขอให้ทุกท่านโชคดีนะ